พุทธวัดสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสันสนีสนทนาซึ่งดาเนินรายการโดยสันสนีนาคพงศ์ที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 และสถานีวิทยุในเครือพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติอีก154สถานีค่ะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นถ้าหากว่าเราได้มีโอกาสศึกษาแล้วเราจะได้พบว่า เป็นคำสอนที่มีคุณค่ามากรายการนี้ก็มุ่งเน้นให้ท่านได้มีโอกาสเข้าถึงและให้กำลังใจให้ท่านได้มีโอกาสนำเอาไปปฏิบัติกันนะคะมีพระภิกษุสองรูปค่ะที่มานำเสนอคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นรูปแรกที่ท่านฝลายจะได้พบต่อไปนี้ก็คือพระมาร์กชาคาวโรแห่งวัดนาปะาพงลาลู ก, กาคลองสิเราอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะว่าอยากให้มา ทั้งปฏิบัติด้วยกันแล้วก็ตั้งใจฟังพระสูตรด้วยกันนนมหกรรมกันกกท่านคะเจริญพรเช้าวันนี้เราก็มาทำความรู้จักกับพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ลึกซึ้งกันเข้าใกล้ชิดพระองค์ให้มากยิ่งขึ้นด้วยการมาเจริญอาณาปานาสติทำความเพนเผากิเลสทาจิตให้หลุดพ้นมาสแสวงหาสิ่งที่พระองค์ให้เราสแสวงหาเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ มันคือแสวงหามรรคนิพพานซึ่งเมื่อเราแสวงหาได้แล้วเราก็จะไม่ต้องเกิดอีกต่อไปเมื่อเราไม่ต้องเกิดเราก็ไม่ต้องมาเผชิญหน้ากับความทุกข์ที่สุดนั่นคือความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนั่นเองและการแสวงหานี้อุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือกายกับใจ เรามาเจริญอาณาปานสติตามแบบที่พระองค์ได้บอกสอนไว้ด้วยการนั่งกู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้หายใจเข้าสั้นออกสั้นก็รู้ ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าและหายใจออกตามกายยสังขารให้ดำงับอยู่หายใจเข้าและหายใจออกหากจิตลุไปคิดในเรื่องใดก็ตามก็ให้เราวางความคิดนั้นเสียเรียกว่าการละนันทีแล้วกลับมามีสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจ วันนี้จะนำเรื่องของประสูตรที่ว่าด้เรื่องเมื่อเราทำสมาธิถึงชานที่หนึ่งคือเมื่อไม่มีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในจิตนั้นก็สามารถบำบัดกิเลสอันเป็นเครื่องระคายใจได้โดยพรง์ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายในสมัยใดภิกษุเป็นผู้เกลียนกลนอยู่ด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกาพระราชามหามาตของพระราชาทั้งหลายด้วยเดยรัีสาวกของเดรถีทั้งหลายก็ตามภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นภิกษุนั้นได้มีความคิดว่าเดี๋ยวนี้เราเกลื่อนกลนอยู่ด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสก อุบาสิกาพระราชามหาของมหาอามาทของพระราชาเดรถีและสาวกของเดรธีทั้งหลายถ้าฉไนเราเพึงหลีกออกจากหมู่คณะไปอยู่ผู้เดียวเถิดดังนี้ภิกษุนั้นเสพเสนาสนะอันเงียบสงัดคือป่าละมอ โคนไม้ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางเธอนั้นไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบแล้วตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้า เธอละอภิชาในโลกมีจิตปราศจากอภิชาชําระจิตจากอภิชาอยู่ละพยาบาทอันเป็นเครื่องประทุสร้ายมีจิตปราศจากพยาบาทเป็นผู้กรุณามีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งปวงชําระจิตจากพยาบาทอันเป็นเครื่องประทุสร้าย ละทีนามิทะมุ่งแต่ความสว่างในใจมีจิตปราศจากทีนามิทะมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวชำระจิตจากทีนามิธะอยู่ละอุทธจากโกกุจจะไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในชำระจิตจากอุทธจะ กุจะอยู่และวิจิกิจชาข้ามร่วงวิจิกิจชาเสียได้ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายชำระจิตจากวิจิกิจชาอยู่ภิกษุนั้นและนิวรัทั้ง5้ายอย่างอันเป็นเครื่องเศร้ามองแห่งจิต ทำปัญญาให้ถอยกำลังเหล่านี้แล้วหากละได้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมเข้าถึงปฐมฌานฌานที่หนึ่งอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล้วแลอยู่ภิกษุนั้นบำบัดกิเลส เป็นเครื่องระคายใจได้อย่างเป็นที่พอใจของตนดังนี้แลดังนั้นหากเรามีความรู้สึกว่าเราเกลียนกลนไปด้วยผู้คนทั้งหลายและมุ่งหวังการหลีกออกจากหมู่ไปช่วงเวลาหนึ่งมือลีกออกไปแล้วก็ให้ละนิวงทั้งห้าคืออภิชาพยาบาท ธนมิธะอุทะจะกุกุจจะวิจิกิจฉาเมล่อละสิ่งเหล่านี้ได้สงังดจากการรมสงัดจากอากุศลธรรมเข้าถึงฌานที่หนึ่งก็ชื่อว่าสามารถบำบัดกิเลสเป็นเครื่องระคายใจได้เป็นที่พอใจของตนหรือสรุปง่ายๆว่าให้กลับมามีความรู้สึกอยู่กับลมหายใจ และละความเพลินในอารมณ์ต่างๆนั่นเองวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเนี่ยพรุ่งนี้เรามาเจริญอาณาปณาาสติกันต่อวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้ค่ะเป็นความรู้ที่ล้าค่ามากเลยนะคะต้องนมัสการขอบพระคุณพระมาชาคาวโรว น, นาปาพงลำลู ก, กาคลองสิซึ่งท่านก็จะมาพบกับท่านุฟังกันอีกในวันพรุ่งนี้และทุกๆวันนะคะวันนี้นมัสการขอบพระคุณท่านค่ ะ, จะเจริญพร